บุ๊กทูห้าบอดพันโจโฮยกการไปทาธุระคาริเดมอยะทอดจ์ดิฉันอยากไปห้องสมุดมันมีข้าว h a เบ็คทับขานเบรม ที่ฉันอยากไปร้านขายหนังสือมันมีข้อห้มเบค้อคัทบ์ฟูรุชิเบราบมที่ฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์มันมีข้อามเบคิวสกเบรามที่ฉันอยากยืมหนังสือมันมีข้อามเยกคัทบ์เบอแมนเตเบกีร์รม ดิฉันอยากซื้อหนังสือมันมีข้อามแยกเก็อปเบคารมดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์มันมีข้อามแยกรูสนาอมเบคารามดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือมันมีข้อามเก็บทอปข้างในเบือม تا ย ک کتاب به ا อเบอ ب گ ی ر มโมนัตเบกิรามดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือฉันมีข้าวให้ไปหนังสือร้านหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ฉันมีข้ห้ไปหนสือร้านหนอเพื่นม ดิฉันอยากไปร้านแว่นตามันมีข้อห้ามเบืองเ و ็นนักฟุตชีเรอมดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีข้อห้ามเบซูปเปอร์มาร์เก็ตเปรอมดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังมันมีข้อห้มเบือนันวาอีเรอม ดิฉันอยากซื้อแว่นตามันมีข้อหมย่างหนกเบิกขามดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักมันมีข้อหมมีเว้และสับซีเบิกขามดิฉันอยากซื้อขนมปังมันมีข้อห้ามน้อนสุบฮานและน้อนเบิกขาม ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตามันมีข้อห้มเบย์เอไนก์ฟูรุชิเบรามทอยก์เนก์เบคาร์มดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผักมันมีข้อห้ามเบซูปเปอร์มาร์เก็ตเบราว์มทามีว์และสับปะเบคาร์มดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง میخوام ه به بروم نان وایی برم، و تانان سبحانه و نان بخرم.